ส, สัมผัสสยองเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่เกิดขึ้นกับเราเองเมื่อปีพศ2551เราได้มีโอกาสไปเที่ยวแถวพัทยาใตา้และได้เข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งใกล้ๆกันห้องที่เราได้พักนั้นเป็นห้องพักที่อยู่ชั้น15ของโรงแรม เมื่อเดินทางมาถึงโรงแรมตอนนั้นก็มืดแล้วเราจัดการอะไรเสร็จเรียบร้อยก็เอาของขึ้นไปเก็บไปบนห้องเมื่อเข้าไปในลิฟต์แล้วเราก็กดปุ่มเพื่อที่จะไปยังชั้น15ห้าห้องพักของเราแต่รู้สึกว่าขณะที่ลิฟต์กำลังเลื่อนขึ้นไปอยู่นั้นลิฟต์ก็ได้มาหยุดอยู่ที่ชั้นสอ ง, ท, งทั้งทั้งที่ไม่มีใครเข้าออกจากลิฟต์เลยและมัน ค้างอยู่อย่างนั้นนานมากแต่ตอนนั้นเราก็คิดเพียงแต่ว่าลิฟต์มันคงค้างเท่านั้นแหละพอประตูลิฟต์ปิดมันก็เลื่อนขึ้นไปชั้นบนต่อเมื่อมาถึงยังชั้นส5บ้าลิฟต์ก็เปิดออกแล้วเราก็เดินออกจากตัวลิฟต์เมื่อสัมผัสถึงบรรยากาศภายนอกแล้วก็รู้สึกแปลกๆขนลุกและอากาศก็เย็นมากด้วย เรารีบเดินต่อไปยังห้องพักเปิดประตูเข้าห้องไปเมื่อเก็บของต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็คิดจะเดินลงมาเล่นข้าื่องล่างของโรงแรมเมื่เรากดลิฟต์เข้ามาแล้วตอนนั้นมีเพียงเราอยู่คนเดียวภายในลิฟต์สมองก็คิดไปเรื่อยเปื่อยจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้แล้วลิฟต์ก็มาหยุดอยู่ที่ชั้น8ก็มีผู้ชายฝรั่งกับหญิงไทยเดินเข้ามาในลิฟต์ เรารู้สึกดีใจที่มีเพื่อนในลิฟต์แต่แล้วสองคนนั้นก็ออกไปที่ชั้นสามัมนทําให้เรารู้สึกวิตกกังวลขึ้นมาทันทีแล้วสิ่งที่เราคิดมันก็เกิดขึ้นจู่ๆลิฟต์มันก็มาหยุดอยู่ที่ชั้นสองดือ้อเรานิ่งเงียบแล้วเงยหน้ามองดูตัวเลขชั้นของลิฟต์แต่ก็ไม่มีทีท่าว่าลิฟต์จะขยับไปต่อ ถึงแม้จะเป็นเวลาเพียง 2-3 นาทีแต่สำหรับเราแล้วมันนานมากที่ติดอยู่ในลิฟต์ตัวนี้ชั้นนี้เพียงลำพังตอนนี้ใจเราเต้นแรงมากเราเริ่มสวดมนต์ภาวนาในใจแล้วสักพักลิฟต์ก็ค่อยๆขยับลงผ่านชั้นสองไปเราโล่งใจมากพอลิฟต์เปิดออกเราก็รีบเดินออกจากลิฟต์ด้วยท่าทางที่รีบร้อนมาก จนพนักงานและคนอื่นๆบริเวณนั้นหันมามองกันหมดแต่เราก็ยังไม่ได้พูดกับใครเรื่องนี้หลังจากที่เราเดินเล่นเสร็จเราก็กลับห้องแต่ครั้งนี้เรารอให้คนมาขึ้นลิฟต์ก่อนถึงจะเข้าไปในลิฟต์กับเขาด้วยจะได้มีเพื่อนตอนขึ้นลิฟต์ซึ่งตอนนั้นก็เป็นเวลาประมาณตีหนึ่งแล้วก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรแปลกๆเหมือนช่วงหัวค่า เมื่อถึงห้องเราก็รีบอาบน้ําเพื่อที่จะเข้านอนแต่สมองเราก็กลับไปคิดถึงเรื่องนั้นว่ามันคืออะไรกันแน่หลังจากที่เราอาบน้ําและนอนหลับแล้วเวลาประมาณตีสี่กว่าเราก็ตื่นขึ้นมาเพราะปวดฉี่ยากเข้าห้องน้ําเรารีบเข้าห้องน้ําแต่มันกลับไม่ใช่แค่ฉี่ธรรมดามันมีเลือดปนออกมาด้วย เราคิดว่าประจําเดือนของเราต้องมาแล้วแน่ๆแต่เราไม่มีผ้าอนามัยจึงต้องลงไปซื้อตอนนั้นเรารีบมากไม่ได้นึกถึงเรื่องอะไรทั้งนั้นเรารีบเดินตรงไปยังลิฟต์เพื่อที่จะลงไปชั้นล่างให้เร็วที่สุดขณะที่ลิฟต์ได้พาเราลงมาจนถึงชั้นที่สเราก็เริ่มนึกถึงชั้นสองขึ้นมา เราภาวนาในใจขอให้ลิฟต์อย่าหยุดตรงนั้นเลยแต่แล้วลิฟต์ก็หยุดอยู่ที่ชั้นสองจนได้ซึ่งคราวนี้มันหยุดนานมากกว่าปกติลิฟต์หยุดอยู่ประมาณหนาทีแล้วที่ประตูก็ขึ้นคำว่า o อเ n เราตกใจมากแต่ก็ทำใจดีสู้เสือเมื่อประตูลิฟต์เปิดออกเราก็ไม่เห็นมีใครอยู่ตรงนั้นเลย บรรยากาศเงียบมากเราจะเงื้อคอไปดูว่ามีใครยืนอยู่แถวนั้นไหมแต่ทั้งฉันก็มืดและเงียบสนิทเราขนลุกสู้รีบเดินถ้อยหลังกลับเข้าลิฟต์แล้วกดปุ่มปิดประตูซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่กดเท่าไรประตูลิฟต์ก็ไม่ยอมปิดสักทีจากนั้นก็มีเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นมาข้างหูของเรา ตอนนั้นสติของเราแทบหลุดกระเจิงรีบวิ่งออกจากลิบแล้วหาทางลงก็เจอบันไดซึ่งมันมืดมากวิ่งไปก็คลาลาวบันไดไปมันลงมาถึงยังชั้นล่างเราก็วิ่งผ่านหน้าล็อบบี้ร้องไห้โวยวายตะโกลลนลั่นโรงแรม ช, ช่วยด้วยช่วยด้วยผีหลอกพนักงานชายรีบวิ่งมาจับแขนเราไว้ แล้วพยุงเราไปนั่งที่โซฟาเราจึงเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้เขาฟังพนักงานทุกคนที่ฟังก็นั่งเงียบก้มหน้าและสีหน้าทุกคนเปลี่ยนไปเราเลยถามไปว่าที่ชั้นสองมีอะไรแต่ก็ไม่มีใครยอมพูดจนเราต้องขอร้องให้เขาบอกเขาจึงยอมบอกว่าเมื่อหลายปีมาแล้วมีชาวต่างชาติชายคนหนึ่ง ได้มาเช่าห้องพักอยู่ที่ชั้นสองนี้แล้วเขาก็ได้ตายอยู่ภายในห้องด้วยสาเหตุอะไรบางอย่างตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผีของชายคนนั้นก็ไม่ยอมไปไหนแม้จ้เาพระมาเชิญดวงวิญญาณแล้วก็ตามยังคงคอยหลอกหลอนแขกที่มาพักอยู่เสมอยิ่งถ้าใครดวงตกหรือจิตอ่อนด้วยแล้วก็จะเจอหลอกแบบเดียวกันกับที่เราเจอ พอเราได้รู้เรื่องราวทั้งหมดเราก็ขอเช็คเอาออกในทันทีพอเช้ามาเราก็ไปทำบุญที่วัดอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาให้เขาได้ไปสู่สุขติในเร็ววันและทำไปเพื่อความสบายใจของเราเองด้วย สัมภัสยอง